อีกหนึ่งคำวินิจฉัยถูกคุณใสก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียวข้าพเจ้าไปพบคุณตานาคเพื่อปรึกษาว่าการเจ็บป่วยของข้าพเจ้าคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคกรรมหรือไม่เพราะหากเป็นโรคที่เกิดจากกรรมข้าพเจ้าขอเลือกทาบุญแก้กรรมดีกว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลถูกฉีดยาหรือผ่าตัดขอพูดถึงคุณตานาคสักนิด เพื่อให้ทราบเหตุผลว่าทำไมข้าพเจ้าจึงไปปรึกษาคุณตานาคแต่ก็ไปโรงพยาบาลหาหมอด้วยข้าพเจ้าได้ยินชื่อคุณตานาคจากการบอกเล่าของพี่อรุณศรีว่าท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีความรู้พิเศษเรื่องการแก้กรรมใครที่เป็นโรคแปลกๆหรือโรคที่หมอรักษาไม่ได้เมื่อหมดหนทางก็ไปปรึกษาคุณตาหากโรคนั้นเป็นโรคกรรมคุณตาก็จะบอกให้ว่า ไปทำกรรมอะไรไว้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็แนะนําวิธีแก้ให้แนวทางการแก้กรรมที่คุณตาแนะนําก็อยู่ในกรอบทานศีลภาวนาไม่ได้ทำพิธีอะไรที่งมงายไร้สาระแล้วก็ให้เจ้าของเรื่องไปจัดการเองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับท่านเพราะท่านทำเพื่อสงเคราะห์ไม่ต้องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแต่ประการใดประมาณปีพุทธศักราช2546 ข้าพเจ้าไปหาคุณตาหน้ากับพี่อรุณศีตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาทุกร้อนอะไรจะปรึกษาท่านเพียงแต่อยากจะรู้จักท่านแต่ไหนๆไปแล้วก็ขอให้ท่านดูให้สักหน่อยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงปวดแขนข้างขวามาเป็นปีๆและไม่รู้จักหายสักทีท่านพิจารณาแล้วบอกว่าในชาติหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นผู้หญิงจีนเป็นภรรยาท่านในพลที่มีวรยุทธสูงจึงฝึกวรยุทธกับสามี และเอาลูกน้องของสามีมาประลองยุดกันด้วยความที่เขาเป็นลูกน้องมีความเกรงใจจึงอ้อมมือให้แต่ข้าพเจ้ากลับไปเอาเปรียบเขาทุบตีเขาไม่ยังโดยไม่มีความเมตตาเลยผลกรรมอันเนี้ยทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดแขนไม่หายให้ไปทำบุญเสียหากไม่รีบไปทำจะเจอหนักกว่านี้อาจถึงขั้นผ่าตัด คุณตาแนะนำให้ไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวไปแจกจ่ายข้าพเจ้าเชื่อคุณตาแต่ก็ไม่ขวนขวายเท่าที่ควรเพราะคิดว่าข้าพเจ้าทำบุญหนักกว่านั้นคือสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันบุญนี้น่าจะแรงกว่าแจกหนังสือในที่สุดก็ไม่ได้ทำตามที่คุณตาแนะนำแล้วก็เจอดีจนได้ วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2547ไปร่วมงานประชุมเพลิงท่านปัญญาวัดโทที่วัดป่าบ้านตาดขากลับเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังลงจากรถตู้เพื่อรับประทานอาหารเย็นเกิดเสียหลักตกลงมาจากรถตู้กระดูกสะโพกหักต้องโดนผ่าตัดเอาเหล็กดา ม, มาจนทุกวันนี้ตอนถูกเข็นเข้าห้องอิสเรห้องผ่าตัดหรือตอนผ่าตัดแล้วฤตยาหมด เกิดทุกขเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาพอบอกตัวเองว่าเราทำเขาไว้เราทำเขาไว้เราทำเขาไ ว, าาไว้มันก็สบายใจดีทุกแต่กายใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะยอมรับผลกรรมที่ทำไว้นี่คือเหตุผลว่าทำไมข้าพเจ้าจึงไปปรึกษาคุณตานาคตอนเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นผลต่อเนื่องจากการไปทุบตีเขาไว้คงไปทุบท้องเขาด้วยกระมัง ครั้งนี้หากคุณตาแนะนำให้ไปทําบุญก็จะรีบไปทํโดยไมร่รีรอเหมือนครั้งก่อนแต่การกลับพลิกผันพอคุณตาพิจารณาเสร็จท่านก็ร้องเสียงดังด้วยความตกใจว่าไปโดนคุณสายเขานี่เขาทําก้อนอะไรกลมๆไว้ในท้องอย่าไปผ่าตัดนะถ้าผ่าตัดพิษมันจะกระจายไปทั่วถึงตายได้ต้องขอให้พระที่มีพลังจิตสูงสงสลายให้ แล้วคุณตาก็ให้ไปขอน้ามนที่วัดใกล้ๆบ้านของคุณตาข้าพเจ้าก็ไปขอมาดื่มไปได้หนเดียววันรุ่งขึ้นก็หมดสติไปเลยสามวันครูบาอาจารย์ก็เห็นแบบเดียวกัน ตรงที่ข้าพเจ้าหมดความรู้สึกอยู่ก็มีการแจ้งข่าวกันออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในแวดวงกรรมฐานสายพระป่านิดได้โทรศัพท์ไปกราบเรียนหลวงพ่อหมุนที่จังหวัดสกล น, นครหลวงพ่อหมุนท่านเมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษประดุษพ่อลูกท่านมีความเป็นห่วงมากรีบทำน้ำมนต์ส่งด่วนทางรถทัวร์มากรุงเทพท่านบอกว่าเมื่อท่านพิจารณาในสมาธิจิต ก็เห็นนิมิตว่ามีคนปองร้ายข้าพเจ้ายิงปืนใหญ่กระหน่ำใส่อย่างไม่ยัง้งแล้วท่านก็ลงความเห็นแบบเดียวกับคุณตานาคว่าข้าพเจ้าถูกคุณใสวันหนึ่งหลวงพ่อจันแรมวัดเกาะแก้วที่บุรีรัมย์ได้เดินทางมาที่วัดวะภู่กแก้วเพื่อทำธุระบางอย่างจึงถามถึงข้าพเจ้ากับท่านเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสกราบเรียนว่าตอนนี้หมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ พอทราบอาการหลวงพ่ อ, อาจาันก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าไม่ใช่ถูกคุณใส่เรอ่ออบอุ่นด้วยบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และน้ำใจของพี่น้องทางธรรมหลวงตามหาบัวคือพ่อแม่ครูอาจารย์องค์แรกที่ทราบข่าวการป่วยของข้าพเจ้าและมีเมตตาช่วยเหลือทันที เมื่อบารมีของท่านเปรียบประดุดแม่เหล็กใหญ่จึงส่งแรงดึงดูดไปยังเหล็กน้อยใหญ่อีกมากมายร่วมกันส่งพลังเมตตามาช่วยข้าพเจ้าหนูนงหรือคุณอนงคุณตระกูลซึ่งตอนนั้นภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระภูวหน้องคายพอได้รับข่าวที่ส่งต่อๆกันมาก็ได้ไปกราบเรียนให้ท่านอาจารย์อุทัยทราบท่านอาจารย์ก็เมตตาอาธิษฐานจิตช่วยในทันที ที่วัดป่ามัชชิมาวาดกาลสินแม่ชีอรุณก็ได้ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เมืองซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้แต่กราบท่านอยู่ห่างๆยังไม่มีโอกาสพบท่านใกล้ๆเลยท่านก็มีเมตตาล้นเหลือขอให้พระชีในวัดร่วมกันภาวนาให้ข้าพเจ้าลงพ่อหมุนวัดป่าแก้ววงสาววาดสกลนครก็ภาวนาช่วยพร้อมทัท้งทำน้ำมนส่งมาเป็นระยะ ะ, ยะท่านอาจารย์บุญเดชที่ภูลังกา ซึ่งเห็นว่าข้าพเจ้าถูกคุณใสยอย่างแน่นอนก็ติดตามถามข่าวตลอดเวลาที่ห้องไอซูในโรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าป่วยอยู่ก็คลาคล่ำไปด้วยพระและญาติธรรมจนหมอหงุดหงิดว่าทำงานลำบากพระมหาธีรนาธเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงก็ไปแผ่เมตตาที่เตียงข้าพเจ้าท่านกิตติจเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้วและท่านพระครูสังวรเจ้าอาวาสวัดป่าดานตลอด ก็ได้ไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงส่วนญาติธรรมที่เฝ้าดูอาการมีทั้งคณะสิทธิ์หลวงพ่อพุทธทีมงานวิทยากรที่วัดวะภูกแก้วและเพื่อนบ้านในซอยบางคนก็นั่งภาวนาบางคนก็เดินจงกรมบางคนก็นั่งร้องไห้เพราะคิดว่าข้าพเจ้าคงหมดลมในวันนั้นแน่ที่วัดป่าสารวันคุณยายเรียมสิทธิ์อาวุโสของหลวงพ่อพุธผู้ที่ไม่เคยจุดทูบเทียนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย ก็อุตสาห์พยุงสังคารไว้80เกือบ90มาจุดทูบเทียนอธิษฐานกับหลวงพ่อพุธว่าลูกสาวหลวงพ่อกำลังจะตายแล้วนะขอให้หลวงพ่อช่วยด้วยเสียดายที่ข้าพระเจ้าไม่มีโอกาสเห็นภาพเหล่านี้ด้วยตัวเองแด้แต่ฟังจากคำบอกเล่าจากทางโน้นทีทางนี้ทีเพราะตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเพียงแค่รับฟังก็ปลื้มปิติจนบอกไม่ถูกเชื่อมั่นในบา ร, รมีของพระพุทธศาสนา คงเป็นอานิสงที่ข้าพเจ้าอุทิศชีวิตเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาและพ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้ผลตอบสนองที่น่าปลื้มใจเช่นนี้รวมพลังใจในหมู่มิตรเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนกรุงเทพญาติพี่น้องอยู่ทางนี้กันหมดจึงเห็นว่าควรจะย้ายข้าพเจ้ามากรุงเทพ วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ในการนั่งจริงๆคือ น, นอนในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมาอีกครั้งเสียดายเหมือนกันที่นอนมาแบบไม่รู้สึกตัวจึงไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในรถฉุกเฉินว่าน่าตื่นเต้นขนาดไหนอันที่จริงข้าพเจ้าบอกว่านอนแบบไม่รู้สึกตัวนั้นข้าพเจ้าไม่ได้นอนนิ่งๆซึมๆนะแต่ดิ้นสุดฤทธิ์สุดเดชถูกมัดทั้งตัวหัวจะรดเท้าหนุย่ยซึ่งเป็นหลานชายบอกว่า คนอะไรดิ้นได้หมดวันหมดคืนไม่รู้จักเหนื่อยคนอื่นเขายัางดิ้นดิ น, ดนหยุดหยุดเป็นระยะแต่เนี่ยดิ้นได้24ชั่วโมงไม่หยุดหน่วยนั่งมาเป็นเพื่อนในรถแล้วขอให้พี่เต่านั่งมาด้วยอีกคนแต่ไม่มีที่พอเพราะพยาบาลนั่งมาเต็มพิกัดเผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องปั๊มหัวใจกลางทางตามคําบอกเล่าตอนที่ข้าพเจ้ายัางไม่รู้สึกตัวนั้นอาการน่ากลัวมากดิ้นแรงผมกระเซาอกระเซิงตาเถือเถลนเหมือนคนถูกผีเข้า ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมก็ช่วยกันทุกวิถีทางสุนีบอกว่าได้นำน้ามนต์หลวงตามาลูบตัวให้ทั้งตัวเลยเอื้อยใจเด็ดมากอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแลกว่าถ้าพี่ตุ๊กจะต้องตายเอื้อยขอตายแทนรอชีวิตพี่ตุ๊กทำประโยชน์ได้มากกว่าเอื้อยบอกว่าพออธิษฐานเสร็จมองมาที่ข้าพเจ้าก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะแววตาของข้าพเจ้าที่มองเอื้อกลับเป็นแววตาที่เครียดแค้นอาฆาต น่ากลัวมากหลังจากนั้นเอื้อยก็มีอาการปวดหัวตัวร้อนแถมมีเคราะห์เสียทรัพย์เป็นแสนไปปรึกษาผู้ที่มีสมาธิจิตเขาบอกว่าของหรือคุณใสกระโดดจากข้าพเจ้าไปเข้าเอื้อยฐานที่บางอาจอยากจะมาตายแทนข้าพเจ้าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวกรุณาใช้วิจารณญาณเอง